พระบัญญัติ480ก็ภิกษุใดเมื่อยังมีเรื่องที่ต้องมินิชัยในสงฆ์ไม่ให้ชันทะแล้วลูกจากอาสนะจากไปต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระชพาคีจบ